ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะเราก็เข้ามาถึงช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m 1เ6เป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้ฟังสิ่งที่พระพุธงได้ต่างๆที่นำกราบเดียนถามท่านจันเพิ่มบูญอภิปุนโนจากวัฒปาดรนหายโศอุดรธา น, นีค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาจะพบกับท่านแล้วนะคะกราบน้องสการค่ะเตียนฐานค่ะวันนี้มีคาถามนะคะ มีคำถามของท่านฟังนะคะส่งตรงมาที่ครอบครัวข่วขาวเ m ฟ0 6มร้อยหกมาทางอีเมลของคุณพ p พเริลักษ์หรือว่าชื่อพีชนะคะบอกว่ า, าตอนเด็กๆและวัยงานวัยงานก่อนอายุยี่สิบห้าใช้คำนี้จริงๆเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะไป<ข>ทำงานก็คือคงจะหมายถึงช่วง ปมพอตอนเป็นเด็กแล้<ไ>วก็มาถึงตอนโตแล้วใ่ใก่อนอายุ25ชอบพูดจาประชดประชันเน็บแนมคนอื่นแต่ไม่ว่าตรงๆนะคะพอหลังจากอายุ26ได้มาปฏิบัติธรรมก็พยายามไม่พูดจาเสียดสีประชดประชันผู้อื่นใช้ความพยายามมากอดทนต่อทุกคําเน็บแนมแต่แปลกคะ่ะยิ่งเราพยายามไม่ทําไม่ตอบโต้เราก็ยิ่งเจอมากขึ้นมากขึ้นย้ายที่ทํางานมาสีห้าที่ ก็จะโดนประชดประชันพูดจาเหน็บแนมตลอดก็พยายามอดทนไม่ได้โต้ตอบดังที่ตั้งใจไว้แต่มันกลับยิ่งเจอมากขึ้นบางครั้งถึงขนาดร้องไห้เลยทีเดียวเวลาผ่านไปเจดปีที่พยายามแล้วก็ยังเจอเหมือนเดิมค่ะแต่เราก็พยายามค่มใจไม่ตอบโต้มันยิ่งมีสิ่งเร้าคําพูดประชดประชันของคนพวกนั้นมากขึ้นบางครั้งทําให้จิตใจเราเสียใจเพราะเราอยากตอบโต้อยากมากแต่ก็ต้องข่มใจลงเงียบไป ม, ม, มาถึงคําถามนะคะ อยากถามว่าทำไมเจอสิ่งเรา้าพวกนี้ตลอดคะทั้งๆที่เวลาก็ผ่านมาหลายปีแล้วเราก็เพียรพยายามไม่ทำสิ่งเหล่านั้นมันกลับเจอหนักตลอดเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มปล่งๆแต่บางครั้งมันเกิดภาวะเศร้าเข้ามาที่จิตใจค่ะช่วยแนะแนวทางให้ปฏิบัติตัวด้วยว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้ใจมันเศร้าเวลาเจอสิ่งเร้าเหล่านั้นและคมใจลงได้จากใจจริงๆค่ะแล้วก็ขอบพระคุณมานะคะ เราทำความเข้าใจกับปัญหาที่คุณศิริลักษณ์เจอสักนิด น, นึงก่อ น, น, นเกี่ยวกับเรื่องของวาจาที่เราโดนวาจาที่ไม่น่าพอใจทิ่มแทงเนาะซึ่งเขาเล่าให้ถึงฟังเกี่ยวกับตั้งแต่ตอนเด็กๆที่ก็ชอบพูดประชดประชานเหน็บแนมคนอื่นใช่ไห้แต่นน <c oughs> ในอาการลักษณะคําพูดที่ประชดประชานเหน็บแนมคนอื่นเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์ดูวาจาลักษณะนี้เป็นเป็นวาจาหยาบนะคือไม่ใช่คือมิจฉาวาจาจะมีอยู่4อย่าง คุณผู้ชมตี่ไล่มาตั้งแต่วาจาโกโหกละซึ่งอันนี้จะไม่ใช่ละแล้วก็ย้ายไล่ไปวาจาสอดเสียดคือยุยงให้คนก็แตกกันนะซึ่งอันนี้<ช>ก็ไม่ใช่แล้วการพูดเพ้อเจก็ไม่ใช่เพราะฉนั้นก็จะตกอยู่ตรงเรื่องของวาจาหยาบนะซึ่งก็หมายถึงคําพูดที่กระแทกจิตเขาคือรูปแบบการใช้ภาษาจะเป็นคำที่สุภาพแต่พูดไปแล้วมันเสียดสีนะพูดไปแล้วมันมันกระแทกกระทันนะพูดไปแล้วมันกรีดมันบาดอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของวาจาหยาบ นะซึ่งไม่จําเป็นว่าต้องเป็นภาษาสมัยพ่อขุมรามหรือว่าขุดสัตว์เดรัจฉานตัวใดตัวหนึ่งมามาพูดเปรยเปย์อย่างนั้นก็ไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นนะพบานมากในละครกรทตันคอะ <laughs> ใช <laughs> นะ่เป็นวาจาที่พูดแล้วดูธรรมดาแต่ว่าแหมมันความหมายมันบาดลึกอย่างนี้เป็นตอนกรนะตุกกระแทกเสียดสีตรงนี้พระเจ้าเคยใช้สำนวนที่เรียกว่าทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากนะทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากก็คือลักษณะของวาจาหยาบนั่นเองในะทีนี้วาจาหยาบเนี่ย เป็นมิจฉาวาจาใช่ไหมถ้าผมว่าเราทําบ่อยๆทํามากๆนะทําเป็นประจําทําทุกวันนะเรา ก, เราก็เราต้องไปนรกกาเนิดเทเาชาันเป็นวิสัยแน่การทําบ่อยๆตรงนี้หมายความว่าไงอย่างกรณีของคุณศิริลักษณ์เนี่ยทำมาในช่วงปฐมวัยนะคือถ้าเราแบ่งวัยของเราตั้งแต่0ถึง30เป็นปฐมวัย30ถึง60เป็นปมปิมวัย60ล่วงไปเป็นปจิมวัยเนี่ยก็คือในช่วงปฐมวัยเนี่ยเราทำมา นะแต่ว่าตอนนี้คุณสืบลับบอกว่าเออฉันเกิน25่สิบ้าละเริ่มที่จะไม่ประมาทตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทในการที่จะงั้นไม่ทําในะวาจาที่ทิ่มแทงเขาไม่ทําแต่ปรากฏว่านะกลับโดนคนหน่เงเขาทิ่มแทงในะนี้ขณะว 4, ่า45ปีหกปีแล้วก็ยังโดนเขาทิ่มแทงขนาดที่ว่าตัวเองก็ร้องไห้เลยเออวิบากที่สําหรับคนที่ทํามิจฉาวาจาคือประเภทวาจาหยาบเนี่ยออคือไปตกนรกแต่ถ้าอย่างเบา นะไม่ตกนรกอย่างเบาอย่างความเป็นมนุษย์ที่จะเจอได้เนี่ยคือเป็นการได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจอันนี้มันชัดเจนเลยนะคือเราทําไม่ดีไว้ใช่ไหมผลที่เป็นวิบากกรรมของกรรมชั่วที่เราทําไว้เนี่ยก็จะทําให้เราไ ด, ได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราพอจะสรุปได้ว่าไอ้ที่เราถูกเขาพูดเสียดสีทิ่มแทงก็อาจจะเป็นผลจากการที่เราทําไม่ดี้แต่แน่นอนมันยังดีกว่าไปตกนรกนะนี่เป็นผลอย่างเบายัางดีแล้ว นั่นยังดีแล้วประเด็นที่คุณสิทธิรักษถามคือว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงให้ให้เราจัดการกับจิตใจของเราได้ค่มจิตของเราได้หรือว่าลักษณะไหนคือตอนนี้กรรมมันยังให้ผลอยู่แต่กรรมมันยังให้ผลมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้มันก็ธรรมดานะโดยที่เราจะทํางานให้กรรมนั้นมันให้ผลน้อยลงนะพุทธเจ้าก็แนะนําให้สร้างกรรมดีขึ้นมาม า, มากๆแตกรรมดีในที่นี้ก็คืออา้าวเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา รักษาศีลปฏิบัติสมาธิเจริญปัญญาตรงนี้จะเป็นการสร้างบุญถึงเราให้มากขึ้นพราบุญมากขึ้นจิตใจเราก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากสิ่งที่เป็นวาจายาบคายไ ร, ร้กาศเหล่านั้นนนี่คร่าวๆทั่วๆไปแล้วเราก็เวลาที่เราอดทนเนี่ยมันก็ต้องอดทนให้ถูกด้วยนะคุณโยมตี๋เพราะว่าคือถ้าอดทนไม่ถูกมันจะกลายเป็นเก็บกดนะเก็บกดปุ๊บเก็บกดไปเก็บกดไปสี่ห้ปีเดี๋ยวระเบิดตู้ออกมานี่มันก็จะยิงแย่ กลาเป็นทำกรรมอย่างหนักด้วยแต่เพดัะนั้นเราต้องอดทนให้ถูกโดยการที่เราอดทนต่อ ว, วาอาจารย์หยาบคายไร้กาศใช่แต่ถ้ามีสิ่งที่เป็นอกุศลลงออกมาเราอย่ากเก็บมันเอาไว้ในะสิ่งที่เป็นอกุศลเราต้องละออกไปแต่พนะระเจ้าบอกว่าอากุศลเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ละนะอย่าไปเก็บเอาไว้ถ้าเรามีความไม่พอใจความเครียดแค้นพยาบาทไอ้ความเครียดแค้นพยาบาทไม่พอใจนี่ต้องรีบละออกไปนะอย่ากเก็บเอาไว้ แต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราจำเป็นจะต้องทนฟังเขาทํางานร่วมกันอยู่ด้วยกันคุณก็ทนไป น, นั้นความอดทนนั้นเป็นสิ่งดีนะเป็นการฝึกความอดทนแล้วก็ประเด็นที่เจ้าของคําถามนี่เขาพูดมาก็คือการข่มใจนะการข่มบังคับใจตรงนี้เป็นคุณธรรมที่ดีที่เรียกว่าธรรมะคือการข่มบังคับใจก็ต้องมาคู่กับขันติคือความอดทนนั่นเองกานะมบังคับใจนะไม่ให้เจ้าความโกรธมันออกมานะถ้ามันออกมาปุ๊บเราต้องรีบละมันนําเพื่อไม่ให้เป็นการเก็บกด อดทนต่อสิ่งที่จะมากระทบอดทนได้ฉันตูกุู้ยิบผู้ยำฉันก็ทนได้แต่อกุศลออกมฉันต้องรีบละข่มไว้บังคับใจไม่ให้มีอกุศนลธรรมเกิดขึ้นอันนี้จะช่วยทําให้จิตใจเราดีขึ้นได้แล้วก็เมื่อไหร่มันจะหมดกรรมสัทีคือถ้ามันให้ผลอยู่ตอนเนี้เราก็ต้องทําให้มันเจือจางแต่พระเจ้าเปรียบเทียบกับความเค็มของเกลือแต่ถ้าเรามีน้ํามากความเค็มมันก็จะจางลงจางลง แเราก็จะลายเกลือได้ที่มีปริมาณมากขึ้นเพะะนื่อนก็ให้ตั้งใจตั้งมั่นในการทํากุศลและต่อไปเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะค่อยเบาบางลงเฉลิมบานะฟังตามตแล้วก็ก็รู้สึกว่าอึดอัดแทน อ, อันนี้ดิฉันคิดตามเหมือนกับละครโทรทัศน์เลยนะคะคือเหมือนกับว่าส่วนใหญ่แล้วภาพที่แบบว่าพูดเจ้าเนบแนมกันไปมาในสังคมมักจะเกิดขึ้นที่เห็นก็ในจอนะคะอืลนะิมบาน ของความเป็นจริงคนเราจะกระแนะกระแหนะเน็ตแหนมกั น, น, น, นได้ตลอดเวลานี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าวางใจไม่ถูกเนี่ยคงจะเครียดไปนานจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นวิบากเลยใช่ไหมคะใช่ใชอันนี้เป็นวิบากที่เขาที่เขาอธิบายมาคือตัวผู้ถามเองก็ค่อนข้างจะเห็นนะว่าเออฉันได้ทําตรงนี้มาตรงนี้คงจะเป็นผลก็เรียกว่าวิบากที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นมีตรงหนึ่งที่ก็เมนเช่นมาตรงนี้ก็คือว่า ก็เริ่มปล่อยวางได้บ้างแต่ว่าบางครั้งก็ขัดใจขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าจิตใจก็เริ่มมีกําลังขึ้นมาแต่คือบางทีเราปล่อยวางได้แค่ชั่วขณะหนึ่งน้อยๆ น, นิดนั่นแหละเออเราแสดงว่าเรามีทําอะไรสักอย่างอะไรอย่างหนึ่งที่มันถูกต้องอยู่ในการทําถูกต้องตรงนั้นเราก็มาทําต่อให้มันดีขึ้นตัวเองค่ะทีนี้นในเมื่อพูดถึงตรงประเด็นเนี่ยคุณสิริรักษณ์พ P นะคะก็พูดถึงเรื่องของการพูดว่าตัวเองเนี่ยมองตัวเอง แล้วพบว่าเราก็ไม่ถูกนะไปพูดจาเนรแนมตั้งแต่ตอนอายุน้อยอตอนที่อยู่ในวัยงานใช่ไหมคะทีนี้ดิฉันอยากจะขอธรรมะเลยค่ะที่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์เรื่องหลักของการพูดต่างๆเพราะดิฉันเชื่อว่าถ้าปรับก็ต้องปรับที่การสื่อสารในทางตรงทางไปของเราด้วยใช่ไหมคะซึ่งมันอาจจะมีผลลทางกลับมาเนี่ยว่าถ้าพูดให้ถูกอัดถูกทำเนี่ยควรจะพูดอย่างไร าวาจาที่เป็นสัมมาวาจานั่นก็มีอยู่4ลักษณะคือถ้าเร า, เ, าเราพยายามเว้นจากการพูดโกหกนะพยายามเว้นจากการพูดโกหกเว้นจากการพูดเปอเจอร์นเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดยุยงให้แตกกันนะสี่ลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาวาจานะแล้วก็นอกจากนี้เอ่อเวลาที่เราจะปฏิบัติสัมมาวาจารเรารู้ว่าอันนี้คือสัมมาวาจารเราได้สัมมาทิฏฐิด้วยเราเวลาที่เราสมมุติ อยากจะพูดกันให้กแหนเขาเนี่ยมันมันจะออกมาจากใจก่อนถูกไหมใจจะคิดว่าจะพูดอย่างนี้แหมจะเนบมันนะเราก็จะเฮ้ยแหมมันเป็นวาจาหยาบเว้ยไม่พูดแล้วกั น, นการทําตรงนี้ได้เนี่ยในใจคุณเกิดสัมมาวายามาตันดีมีสัมมาสติด้วยมีสัมมาวายามาด้วยอันนี้จะดีมากให้ฝึกปฏิบัติอย่างนี้ก็กลับเรียนท่านนะคะมีอยู่ปีหนึ่งเมื่อน่าจะสักปลายปลายปี2554 ตนเอง<ช>ได้ร่วมกันกับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะรณรงค์นนนนในเรื่องสัมมาวาจาเพราะว่ามีความเชื่อว่ามันส่งผลเสียกับระดับประเทศชาติเลยคือทําให้เกิดการแตกแยกกันโดยเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าปากของเราที่พูดโดยไม่รู้ว่าผลเสียมันเกิดกับเราโดยตรงด้วยก็คืออะไรนะคะอบายทุคติวินิบาตินรกได้เลยถ้าทำบ่อยทํานานใช่ไหมคะใช่<ะ>ใช่ก็เอ่อ และเห็นจากในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยทันทีทันใดด้วยว่าทําให้เกิดการแตกแยกทําให้เกิดโน่นนี่นั่นอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่และ้ะณวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ตัวเองก็ได้นำอรัลค์เนี่ยมาปฏิบัตินะคะแล้วต้องเรียนท่านเพราะว่าเมื่อกี้ท่านชี้เห็นถึงผลว่าทําแล้วมีคุณค่าอย่างไร hmm. ถ้าหากว่าเรากําหนดตัวเองก่อนตั้งใจว่าเราจะยึดการพูดเนี่ยเพื่อเป็นทางไปสวรรค์หรืออะไรกันแล้วแต่ที่ เป็นผลที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็เหมือนกับมีกรอบให้เราเดินนะคะจะทำให้เราฉุกคิดอยู่เสมอก่อนที่จะพูดบางทีแม้อยากจะโต้อตอบคันปากแต่นึกถึงสัมมาวาจาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอ็มส่อเสียดเขาหรือเปล่าพูดคำหยาหรือเปล่าพูดโกหกหรือเปล่าเราก็จะดดปรับเปลี่ยนหยุดได้อันนี้ต้องบอกว่าลองไปทำดูสิคะลองเชื่อก่อนว่า การพูดโกหกพูดคำหยาพูดให้แตกกันพูดเพอ้อเจอ้อไม่มีหลักฐานอ้างอิงมันไม่ไม่ดีไม่ดีอย่างไรไม่ดีคือถ้าทำบ่อยทำนานพระพุทธองค์บอกตกนรกแน่นอนนะคะและถ้าหากว่าไม่ทำคุณของเขาก็คือจะมีปกติสุขจากปากของเรากับสุดท้ายก็คือปลายทางอาจจะถึงวิมุตได้เพราะท่านบอกว่าได้สม ถ, ถทิติ ด, ด้วยใ ช, ใช่ได้สัมมาวายามะด้วยเป็นต้น ค่ะและดิฉันเชื่อนะคะว่าในสังคมเนี้ยอันนี้ดิฉันขอขอนุญาตพูดมากกับพระอาจารย์หน่อยนะคะได้ได้ได้ก็คือเหมือนกับว่าการที่เราระมัดระวังคําพูดในทุกๆสังคมทุกๆที่เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราอยู่กันร่วมเย็นเป็นสุขมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ลองคิดลองใคร้ครวนนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นง่ายๆนะแค่เป่าลมออกปาก บางคนก็เลยคิดไม่ทันคิดว่าไม่เกิดพิดไม่เกิดภัยเพราะว่าตามธรรมชาติเขาก็ให้เรามีปากเอาไว้พูดอยู่แล้วอเนี่ยค่ะข้อคิดก็เลยพลอยได้จากคุณศิริรักษณ์นะคะขยายความจากประสบการณ์ไปให้ในสิ่งที่เป็นหลักซึ่งท่านเปริยุญแนะนําเอาสิ่งที่พระพุธองตรัสสอนมาบอกกับพวกเราไว้เป็นหลักในการพูดของทุกท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเราเองวันนี้ก็กราบน้อมสักกา ร, าการขอบพระคุณท่านพรบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะน้อมสักการค่ะท่านผู้ฟังที่ครบค่ะเนี่ยค่ะบางทีเราก็คิดว่าเป็นเรื่องพื้นๆเรื่องตื้ น, นเรื่องไม่น่าจะมีอะไรเสียหายอย่างเรื่องการพูดแต่จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปมันเสียหายมากนะคะคําพูดบางทีประโยคเดียวเนี่ยมันเกิดไฟนรกโลกรันขึ้นได้เผาผลาญกันทั้งแผ่นดินได้เลยค่ะ เราติดตามรับฟังรายการสัมมนาสนทนากันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ